จเจริญพรท่านผู้มีจิศตศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัตอุบาสอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราชส5งพันหเป็นวันพระวันธรรมวาสนะวันฟังธรรม หวานเติมความเป็นเิรีมงคลให้แก่ชีวิตจิตใจเป็นเหมือนกับการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ชีวิตของพวกเรานี้มีรถยนต์อยู่สองขันรถยนต์ขันที่หนึ่งเรียกว่าร่างกายรถยนต์ขันที่สองเรียกว่าจิตใจรถยนต์ทั้งสองขันนี้ต้องการน้ำมันเพื่อที่จะทาให้ สามารถไปไหนมาไหนวิ่งไปไหนมาไหนสามารถทําให้อยู่ได้ไม่ตายร่างกายก็ต้องการน้ํามันน้ํามันของร่างกายก็คือปัจจัยสคืออาหารเครื่องลุ่มลมที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโรควันธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นวันพระ พวกเราก็ไปเติมน้ำมันให้กับร่างกายด้วยการไปทรมาหากินเพื่อจะได้มีรายได้มาซื้อปัจจัยสี่เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุดส่วนวัดพระนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเรามาวาดกัน เพื่อมาเติมน้ํามันให้แก่จิตใจให้เราเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นเหมือนกับสถานีบริการเวลาที่เราต้องการเติมน้ํามันรถยนต์เราก็ต้องขับรถไปตามสถานีบริการต่างๆเพราะถ้าไปที่อื่นก็จะไม่มีน้ํามันให้เราเอาเติมชันใดถ้าเราต้องการเติมน้ํามันให้แก่จิตใจของเรา เติมความเป็นเสิริมงกลให้แก่ชีวิตของเราเราก็ต้องมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่เติมน้ำมันของจิตใจ mm hmm. เวลาที่เราได้พบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอน mm hmm. พบกับพระอริยสงสาวุ mm hmm. เราก็จะได้น้ำมันเพื่อทาให ชีวิตจิตใจของเรามีความน่่มเย็นเป็นสุขมีกําลังจิตกําลังใจที่จะเดินทางต่อไปรถยนต์สองขันนี้รถยนต์คือจิตใจนี้มีความสําคัญกว่ารถยนต์ทางร่างกายเพราะรถยนต์ทางร่างกายนี้มีอายุไม่นานอย่างมากก็ร้อยปีก็หมดสภาพไป แต่รถยนต์ทางใจนี้คือจิตใจของเรานี้ไม่มีวันตายเราจึงต้องให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาจิตใจยิ่งกว่าการดูแลรักษาร่างกายเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็ยังมีจิตใจอยู่แล้วเราก็ต้องอยู่กับจิตใจถ้าเราไม่ดูแลจิตใจของพวกเรา ปล่อยปละละเลยจิตใจของพวกเราก็จะเป็นเหมือนรถยนต์ที่ขาดน้ำมันขาดการทำนุบำรุงดูแลรักษาก็จะวิ่งไปไม่ได้ไกลหรืออาจจะเสียกลางทางดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้ความสำคัญแก่จิตใจเพราะจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธาน เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของพวกเรานี้และร่างกายของคนที่เรารักเช่นบิดามารดาผู้ย่างตายายภรรยาสามีบุตรธิดาญาติสนิทนิสหายนี้ไม่ใชาก็เร็วก็ต้องตายจากเราไป ต่อให้เราดูแลรักษากันดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถยับยั้งการพัดผ้าจากกันไปได้เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายของคนทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและก็ต้องตายไปเราจึงอย่าไปเสียเวลากับการดูแลรักษาร่างกายมากจนเกินความพอดี ดูแลได้แต่ไม่ต้องดูแลมากจนเกินความพอดีให้มีปัจจัยสี่ก็อยู่ได้แล้วมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยเท่านี้ก็พอแล้วสําหรับร่างกายควรเอาเวลามาให้ดูแลจิตใจของเราดีกว่าเพราะจิตใจของเราจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไป จะอยู่กับเราแบบไหนอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ถ้าเราดูแลจิตใจด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะทำให้จิตใจมีความสุขเราก็จะอยู่กับความสุขถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเข้าหาการกระทาบาปเข้าหาอบายามุขเช่นเล่นกายพ น, นัน เที่ยวกลางคืนเสพสุรายาเมาคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกียดคร้านหาความสุขจากมหะรสพบันเทิงต่างๆการกระทำเหล่านี้เป็นการเข้าหาความทุกข์พระพุทธเจ้า ส, สอนว่าอย่าไปเสพอบายามุกเพราะอบายามุกนี้ไม่ได้สร้างความสุขให้กับเรา ความสุขที่ให้กับเราเป็นความสุขปลองเป็นความสุขที่หุ้มห่อผ่านทูปอยู่เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลน้ำตาลนี่ผิวบางๆเคลือบยาขมไว้เพื่อเวลาที่เรากินจะได้ไม่รู้สึกขมแต่พอมาละลายปั๊บก็จะเจอกับยาขมทันทีความสุขที่ได้จากอบายยนุกอันนี้ก็เป็นความสุขปลอง เป็นความสุขเดียวเดียวแล้วก็จะมีทุกข์ตามมาเช่น <c oughs> ถ้าเราเสพสุรายาเมาเราก็จะได้ความสุขในขณะที่เสพแต่พอเสพไปแล้วก็เกิดอาการมึนเมาขึ้นมา <c oughs> ก็จะไม่สามารถควบคุมการคิดการพูดการกระทำได้ก็จะไปทำบาปได้ไปทะเลาะวิวาท ไปมีเรื่องวีราวไปทำร้ายเข้าของถ้าขับรถยนต์ก็ไปชนคนตายไปประสบกับอุบัติเหตุแล้วก็ตนเองก็อาจจะตายไปหรือพิกลพิการไปอันนี้โทษหรือความทุกข์ที่จะตามมาที่เกิดจากการเสพสุรายาเมานอกจากนั้นแล้วยังมีโทษกับร่างกาย ถ้าเสพไปเรื่อยๆ อ, อวัยวะต่างๆเช่นกระเพาะตับไตนี้ก็จะชำนุษสุดโทรจะตายก่อนวัยคนที่ดื่มสุรานี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยต่างๆไม่เหมือนกับคนที่ไม่ดื่มสุราจะปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆอายุของคนที่ไม่ดื่มสุราจะมีอายุยืนยาวนานกว่า คนที่ดื่มสุร า, ยาอย่างเมาเสียร่างกายเสียจิตใจแล้วยังต้องเสียเงินเสียทองแล้วถ้าดื่มสุราจนติดไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็จะทำให้เสียงาน เ, าเสียการได้เพราะจะเมาอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาไปทำงานก็ไม่สามารถไปทำได้ถ้าขาดงานบ่อยๆ ก็จะถูกเขาไล่ออกจากงานได้นี่คือทุกข์หรือโทษที่เกิดจากการดื่มสุรายาเมาที่พวกเราไม่ควรที่จะเสกกันอย่าไปคิดว่ามันเป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ที่หุ้มห่อด้วยความสุขบางๆเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลบางๆเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับ ถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ได้ทรงผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาหมดแล้วรู้เรื่องของอบายามุกอย่างท่องแท้แล้วรู้เรื่องของการทำบาปอย่างท่องแท้แล้วท่านเห็นโทษของมันทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วท่านจึงทรงสอนให้พวกเรา อย่าไปเสพอบายมุขอย่าไปเสพสุรายาเมาอย่าเล่นการพนันการพนันนี่ก็เป็นอันตรายเพราะว่าเวลาเล่นแล้วมันจะติดเวลาได้ก็อยากจะได้อีกเวลาเสียก็อยากจะได้คืนเวลาได้มาก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นก็ไปเล่นต่อพอเล่นไปแล้วเดี๋ยวก็เสียเสียแล้วก็ต้องไป เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาขายเพราะอยากจะเล่นต่ออยากจะได้คืนขายทรัพย์สมบัติหมดแล้วต่อไปก็ต้องขายบ้านขายบ้านหมดแล้วก็ต้องขายที่ดินขายหมดแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินพอไม่มีเงินคืนเขาก็จะถูกเข้ามาทำร้ายร่างกายและอาจจะถึงกับฆ้าให้ตายได้ ถ้าไม่เอื้อมังินไปใช้หนี้เขานี่คือโทษของการเล่นการพนันคัดท่านบอกว่าเวลาขโมยขึ้นบ้านนี้ยังไม่ร้ายกาจเท่าการเล่นการพนันเพราะเวลาขึ้นบ้านมันก็เอาแค่ข้าวของเงินทองไปเท่านั้นแต่บ้านที่ดินมันยเอาไปไม่ได้เวลาไฟไหม ไฟก็ไหม้แต่บ้านทั้งนั้นไ ม, ไม่บ้านไม่เข้าของต่างๆแต่ก็ไม่ไหม้ที่ดินแต่การเล่นการพนานนี้มันไม่หมดเลยไม่เข้าของในบ้านไม่บ้านไม่ที่ดินและไม่ร่างกายของเราร่างกายของเราก็ต้องไปไปอยู่ที่เมรุไปตายก่อนเวลาอันควรถ้าเราติดเล่นการพนาน แบบถอนตัวไม่ขึ้นผลล้ายที่ต่างๆมันก็จะตามมานี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระธรรมคําคสอนเข้าหาพระอาหารหันตสาวกเพราะท่านเป็นผู้ชลาท่านเป็นผู้ที่รู้คุณรู้โทษของสิ่งต่างๆสิ่งที่เป็นโทษ เช่นอบายามุกและการทำบาป ก, ก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาท่านก็สอนให้เราละแล้วสิ่งที่ดีเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขความเจริญท่านก็จะสอนให้เราเจริญอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราสุขให้เราเจริญก็คือ การเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมในวันพระการเข้ามาเติมน้ำมันการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการเติมน้ำมันให้แก่จิตใจของเราเพราะว่าจะทำให้เรามีแสงสว่างทำให้เราเห็นทางเดินที่เรากำลังเดินไปอยู่ว่าเรากำลังเดินไปสู่ที่ปลอดภัย เรือเดินไปสู่ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจของพวกเราการฟังเทศฟังธรรมจะได้รู้ได้ยินเรื่องบาปบุญคุณโทษได้รู้เรื่องของผลของบาปของบุญคือนรกและสวรรค์ได้ยินเรื่องราวของการเดินทางของพวกเราคือจิตใจของพวกเรานี้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ใจิตใจของพวกเรายังต้องเดินทางต่อไปจะเดินไปในทางไหนก็อยู่ที่บุญที่บาปเราก็ทำกันในขณะนี้ถ้าเราทาบุญเราก็จะเดินไปในทางสวรรค์ถ้าเราทำบาปเราก็จะเดินไปในทางของอบายแล้วถ้าเราเบื่อต่อการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไปอีกทางหนึง่ง ทางนี้เรียกว่าทางไปสู่พระนิพพานทางไปสู่พระนิพพานนี้ต้องเป็นทางของนักบวชผู้ที่มาบวชนี้จุดหมายปลายทางที่แท้จริงก็คือการไปสู่พระนิพพานทางไปสู่การไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่บวชยังเป็นผู้ของเลือนยังมีความรักความสุข ของทางร่างกายยังอยากมีร่างกายเพื่อที่จะได้มีตาหูจมูกลิ้นกายไว้หาความสุขต่างๆไว้หาลาบยศเสริญไว้หารูปเสียงกลิ่นรสก็จะยังต้องกลับมาเกิดใหม่หลังจากที่ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เพื่อที่จะได้มาหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นลือดธลทพะใหม่แล้วพอตายไปก็จะไปรับผลบุญผลบาปใหม่ถ้ายังต้องกลับมาเกิดอยู่ mm. ก็ขอให้เราอย่าทาบาปขอให้เราทำบุญกันอย่างวันนี้เรามาทำบุญมาละา บ, บาปกันขอให้เราทำอย่างนี้ทุกวัน ทำบุญก็คือมีเงินทองข้าวของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องเก็บเอาไว้เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพระก็ได้เป็นคารวาสผู้ของเรือนก็ได้ทำแล้วได้บุญเหมือนกัน บุญนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเพราะว่าจะต้องทำกับพระทำกับวัดเพียงอย่างเดียวทำกับโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนทำกับคนพิการทำกับคนยากจนทำกับคนชราหรือทำกับสัตว์เดรัจฉานเช่นปล่อยนกปล่อยปลาเหล่านี้เป็นบุญทั้งนั้นจะเป็นตัวที่จะส่งให้เราได้ไปสวรรค์กัน อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำส่วนบาปก็อย่าทาอบายามุกก็อย่าเสกแล้วชีวิตของเราจะปลอดภัยเราจะตายไปแล้วเราก็จะไปสวรรค์กันกลับจากสวรรค์มาเราก็จะกลับมาเกิดดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะเราได้ทำบุญเอาไว้อา น, นิสงส์ของผลบุญนี้นอกจากส่งให้เราไปสวรรค์แล้วเวลากลับมาเกิดใหม่เราจะมีชีวิตที่ดีกว่าเก่าเราจะร่ำรวยกว่าเก่าจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเก่าผิวพรรณผ่องใสกว่าเก่ามีอายุยืนยาวนานกว่าเก่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเก่า มีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมากกว่าเก่าอันนี้เป็นผลที่จะเกิดจากการที่เราทำบุญไม่ละบาปในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปแล้วก็ไม่ทำบุญเวลาตายไปเราก็ต้องไปใช้กรรมในอบาปที่มีอยู่สี่จุดด้วยกันจุดที่หนึ่งเรียกว่าเดลฉาน แอันมนเสียงที่มันร้องอยู่ข้างนอกนี้เรียกว่าเดรัจฉานพวกนี้เป็นพวกที่ไม่ได้ทําบุญตอนที่มีชีวิตอยู่ทําแต่บาป ก, ก็เลยเวลาตายไปก็เลยต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานอีกพวกหนึ่งก็เรียกว่าพวกเปรตพวกที่ไม่มีรูปร่างเป็นดวงวิญญาณที่กําลังรอรับส่วนบุญของพวกเราอยู่เดี๋ยวเราทําบุญแล้วเราก็อุทิดบุญให้กับ พวกเปรตพวกนี้เวลาอยู่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ชอบทำบุญชอบทำบาปตายไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปอยากได้บุญก็เลยต้องมารอเวลาที่ญาติโยมกวดน้าอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปอีกเพิ่มหนึ่งก็ไปเป็นผีอีกเพิ่มหนึ่งก็ไปตกนรกนี่คือที่ไปของพวกที่ ไม่ทําบุญทําแต่บาปแล้วพอหลังจากที่ใช้บาปเหมดแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็จะมาเกิดแบบด้อยอาภัพวาสนาเกิดแบบต่ําต้อยรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผอใสอาการไม่ครบสาสิบสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้น สติปัญญาทึบมีความยากจนนี่คือผลของการทำบาปเวลาที่กลับมาเกิดใหม่ในโลกนี้เราจึงมีคนสูงสูงต่ำตๆไม่เท่ากันบางคนนี้เป่งปรังด้วยรัศมีบารมีบางคนก็อาภัพด้วยวาสนาบารมีเพราะบุญและบาป ท, ที่ทำไว้นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เรา มีความแตกต่างกันดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกให้สัตว์เป็นอะไรต่างๆกันไปเป็นมนุษย์ก็สูงต่ำไม่เท่ากันแม้แต่จะมาเกิดในพ่อแม่คนเดียวกันก็ยังมีวาสนาบารมีไม่เท่ากันบางคนนั่ารวยบางคนยากจนทั้งๆที่มีพ่อแม่คนเดียวกัน แต่ทำไมถึงไม่เหมือนกันก็เพราะว่าบุญกรรับุญกระบาปที่ได้ทำมาในอดีตนี้ทำมาไม่เหมือนกันทำมาไม่เท่ากันนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับรู้จากการที่เรามาสถานีบริการมาหาพระพุทธเจ้ามาหาพระธรรมคำสอนมาหาพระอรหันตสาวกพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี้ เป็นตัวแทนกันได้ทดแทนกันได้ไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนหรืออ่านหนังสือไม่เป็นแต่เราก็สามารถเข้าหาพระอริยสงสาวกได้ท่านก็จะสอนอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องเดียวกัน ก็คือเรื่องของการให้เรามาทำบุญกันให้เรามาละบาปกันแล้วถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเกิดมาถึงแม้ว่าจะเกิดดีเกิดสูงขนาดไหนในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปถ้าไม่อยากจะกลับมาแก่เจ็บตายก็จะต้องปฏิบัติทำก็คือชำระใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ใจต่องพวกเราตอนนี้เหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกเวลาเสื้อผ้าสกปรกเราต้องเอาไปซักกันเอาไปใส่เครื่องซักใส่น้ําใส่ผงซักฟอกแล้วพอซักเสร็จมันก็จะออกมาขาวสะอาดน่าใสใจของพวกเราตอนนี้ก็มีความสกปร ก, กด้วยกิเลสตัณหาที่ทําให้เราเศร้าหมอง ที่ทาให้เราไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกันเวลาที่เราไม่สบายใจเวลาที่เราวิตกกังวลเวลาที่เราวุ่นวายใจเสีย อ, อกเสียใจว้าเหวเศร้าสร้อยหงอยเหงาเวลานั้นเป็นเวลาที่กิเลสตัณหากำลังแผงลงฤทธ์กำลังทำงานอยู่เวลาที่เรามีความสดชื่นโบกบาน เวลานั้นเป็นเวลาที่กิเลสตัณหามันหยุดทํางานชั่วคราวเวลาที่เราทําบุญนี้บุญที่เราทํานี้จะไปละลายลึกไปหยุดความโลภความโกรธความหลงทําให้ใจของเรารู้สึกสดชื่นเบิก บ, บานเช่นเวลาเรามาทําบุญเราจะรู้สึกสบายอกสบายใจเพราะการทําบุญนี้จะไปหยุดการทํางาน ของความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วคราวแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะกลับคืนมาใหม่เราจึงต้องทำบุญอยู่บ่อยๆถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีความสุขความสบายใจแต่การทำบุญยังไม่พอเราต้องให้ทำบาล้วเราก็ต้องมาชำระกำจัดความโลภความโกรธ ค, ความหลงให้หมดไปจากใจเลย การทาบุญการไม่ทาบาสนี้ยังไม่สามารถกาจัดความโลกความโกรธความหลงเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้หายหมดไปได้ถ้าซักผ้าก็เหมือนซักผ้าโดยไม่มีผงซักฟอกซักด้วยน้ำเปล่าพวกคราบสกรปรกบางชนิดนี้มันจะไม่ออกจากเสื้อผ้าไปต้องใช้ผงซักฟอกที่มีกําลัง คาบสกรปรกต่างๆชันใดคาบสกรปรกของใจคือกิเลสตัณหานี้มันจะไม่หลุดออกไปด้วยการทำบุญด้วยการไม่ทำบาปมันเพียงจะออกไปบางส่วนแต่ออกไม่หมดถ้าอยากจะให้ออกให้หมดนี่ต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพราะว่าการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี้ เป็นเหมือนกับการใช้ผงซักฟอกชนิดพิเศษที่สามารถกําจัดคราบสกปรกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดไปได้ถ้าเราสามารถกําจัดคราบสกปรกต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจเราก็จะสะอาด บ, บริสุทธิ์เหมือนกับเสื้อผ้าที่สะอาด บ, บริสุทธิ์ใจที่สะอาด บ, บริสุทธิ์นี้ ก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรคก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่มีเชื้อของภบของชาติก็ไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายต่อไปสิ่งที่ทำให้พวกเรามาเกิดแก่เจ็บตายกันก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภ ค, ความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวลาร่างกายตายไปความโลภความโกรธความหลงนี้มันอยู่ในใจมันเป็นเหมือนเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่จะขับพาให้รถยนต์วิ่งต่อไปพาให้ใจของเรามาเกิดใหม่เวลามาเกิดนี้ไม่ต้องมีใครสอนเรื่องความโลภความโกรธความหลงเรื่องความอยากเลยมีกันทุกคนมีแต่ต้องคอยสอนไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้อยากกัน เพราะความโลภความโกรธความหลงความอยากนี่มันติดมากับจิตใจของพวกเราแต่มันเป็นตัวที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเป็นเหมือนกับเชื้อโรคที่มันจะคอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของพวกเราเชื้อโรคทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกิเลสตัณหาก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้จิตใจเราไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความวิตกกังวลมีความมีแต่ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาว่าเว่ถ้าเราชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ใจของเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ว่าตื่นหรือหลับใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยและพอร่างกายที่ตายไป ใจของเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปใจของเราได้ไปถึงพระนิพพานแล้วพระนิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจที่ไม่มีความอยากต่างๆแต่ไม่ได้หายไปไหนคำว่านิบบานังปรมังสุญญางนี้แปลว่าใจนี้สูญจากความโลภความโกรธความหลงใจเหมือนเสื้อผ้า เวลาเราเอาเสื้อผ้าไปสร้างให้สะอาดเสื้อผ้าหายไปหรือเปล่าเสื้อผ้าไม่หายไปกับความสะอาดสิ่งที่หายไปก็คือสิ่งที่สกปรกที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าชั้นใดใจที่ได้รับการชำระกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็จะเป็นใจที่ว่าเป็นใจที่สะอาดจากสิ่งสกปรกทั้งหลาย คำว่านิบานังปรามังสูญยังก็หมายความว่าอย่างนี้ว่างจากสิ่งศสกปกปราศจากสิ่งสกบกแต่ไม่ได้สูญหายไปไหนบางคนไม่ได้ปฏิบัติพออ่านคำว่านิบานังปรามังสูญยังก็คิดว่านิพานสูญพอกลับไปถึงนิพานแล้วสูญไปเหมือนถูกดูดหายไปเลยเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราไปซักในเครื่องซักพอซักเสร็จ ควาสิ่งสกปรกมันสูญไปแต่เสื้อผ้าไม่ได้สูญเครื่องซักผ้ามันไม่ได้ดูดเอาสิ่งสกปรกไปหมดฉนันใดการชำระใจของพวกเราด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่ได้ทำให้ใจของเราหายไปไหนใจของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่แบบปีกแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี่คือวิธีการที่พวกเรามาเติมน้ามันกัน มาเติมความเป็นสิริมุงคลคือความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราด้วยการมาฟังคำสอนของพรอพุทธเจ้าจากพรอพุทธเจ้าเองหรือจากจากหนังสือธรรมะหรือจากพระอริยสงสาวบกเป็นเหมือนกับการมาสถานีบริการมาฟังเทศฟังธรรม เพื่อเราจะได้นำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติก็คือไปทำบุญกันไปละบาปกันไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กันแล้วเราก็จะได้พบแต่ความสุขความเจริญไปตามลำดับไปจนถึงความสุขความเจริญขั้นสูงสุดจะได้เร็วได้ช้าได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เราทำมากทำน้อย ถ้าเราทำทุกวันเราก็จะได้มากได้ได้เร็วถ้าเราทำอาทิตย์ละครั้งก็จะได้น้อยได้ช้าเหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่ถ้าเราวันหนึ่งตักตักวันละขันกับคนที่เขาตักวันละยี่สิบขันนี้น้ำในตุ่มตุ่มของใครจะเต็มเร็วกว่ากันดังนั้นถ้าเราอยากจะไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เร็ว ให้ไปได้ภายในภพนี้ชาตินี้เราก็ต้องทําเต็มที่เลยทํามันทุกวันออกบวชเลยนับรองได้ว่าไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่เขาทําแบบนี้เขาไปถึงกันแล้วเช่นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายที่เรากราบไหว้บูชาท่านก็เป็นนักบวชกันท่านปฏิบัติทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่กี่ปีท่านก็ไปถึงพระนิพพานกัน ถ้าเราอยากจะไปพระ น, นิพพานเราก็ต้องบวชกันทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งลูกทิ้งทรัพย์สมบัติไม่ทิ้งวันนี้เดี๋ยววันข้างหน้าก็ต้องทิ้งอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันทุ่งทิ้งวันนี้ดีกว่าเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติกันถ้าไปทิ้งตอนตายไม่มีเวลาจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไปอีกไม่รู้อีกกี่พบกี่ชาติเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา เราจะไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนให้เราไปถึงพระนิพพานได้ตอนนี้เราโชคดีเรามีพระพุทธศาสนาซึ่งอาจจะเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวก็ได้ที่เราจะเจอพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเราตายไปแล้วกว่าเราจะกลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ต่อไปและกว่าจะมีมาใหม่ก็อีกหลายล้านปีด้วยกันดังนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่หายากมาก ที่ยังมีโอกาสได้มีคนบอกทางไปสู่พระนิพพานถ้าเราไม่เราไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะเสียโอกาสอันดีงามนี้ไปจึงขอฝากเรื่องของการนวัดเพื่อมาเสริมความเป็นสีวิมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นำมาไปพิพจารณาและปฏิบัติ